ของพระบรมศาสดาพระม า, ารรานตสัมมาสาัมพุทธเจ้าผู้ได้ทรงตัดสรูวธรรมวิเศษที่จะนำพาสันโกให้อยู่กันอย่างน่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงธรรมะวันนี้ที่เราจะฟังกันนี้ก็เรื่องของ ที่พึ่งของชีวิตชีวิตของพวกเราทุกคนจะอยู่กันอย่างรุ่มเย็นเป็นสุขจําเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งมาคอยบําบัดทุกข์และบํารงสุขให้แก่ชีวิตของพวกเราถ้าพวกเราปราศ จ, จากที่พึ่งชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลาบากเดือดร้อน ด้วยปัญหาต่างๆนานาแต่ถ้าเรามีที่พึ่งเราก็จะอยู่กันอย่างน่มเย็นเป็นสุขที่พึ่งของชีวิตของพวกเรานี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือเพราะว่าชีวิตของพวกเรานี้ประกอบขึ้นด้วยสองส่วนด้วยกันคือร่างกายและใจ เราเป็นคนสองคนอยู่ในร่างเดียวกันคือเราเป็นทั้งร่างกายและเป็นทั้งใจและที่พึ่งของร่างกายและที่พึ่งของใจนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันท <S. S 1> ี่พึ่งทางร่างกายก็เป็นอย่างหนึ่งที่พึ่งทางใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทางที่เราจะทําให้ ร่างกายของเราและใจของเราอยู่เย็นเป็นสุขเราจำเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือที่พึ่งทางร่างกายและที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางร่างกายนี้เป็นของที่พวกเราคงจะรู้กันอยู่มาตั้งแต่วันเกิดแล้วเพราะถ้าเราไม่มี ที่พึ่งทางร่างกายร่างกายของเราก็จะไม่สามารถอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้สิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ต่างๆก็คือปัจจัยสี่ที่เป็นที่พึ่งของร่างกายปัจจัยสี่นี้ได้แก่อะไรก็ได้แก่หนึ่งอาหาร สองเครื่องนุม่มห่มสามที่อยู่อาศัยและสี่ยารักษาโรคอันนี้คือปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของร่างกายร่างกายจะอยู่ปราศ จ, จากปัจจัยสี่ไม่ได้ ถ้าปราศจากปัจจัยสีไม่นานก็จะต้องถึงแก่ความตายไปเราจรึงต้องคอยหาปัจจัยสี่นี้มาให้แก่ร่างกายอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพราะถ้าขาดปัจจัยสีเมื่อไหร่ความทุกข์ทางร่างกายก็ย่อมเกิดขึ้นม า, ท, าทันทีและถ้าขาดไปนาน ความตายของร่างกายก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราจึงต้องมีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูร่างกายของเราอย่างต่อเ น, นื่องแต่การที่จะมีปัจจัยสี่เลี้ยงดูของร่างกายให้ร่างกายอยู่เย็นเป็นสุขได้ใ น, ในขณะเดียวกันก็ไม่ไปสร้างความทุกข์ยากลำบากให้กับใจ เพราะว่าผู้ที่จะต้องมาหาปัจจัยสี่มาให้แก่ร่างกายไม่ใช่ร่างกายผู้ที่จะต้องมาหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายก็คือใจใจนี่แหละเป็นผู้ที่กำกับดูแลร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบา่าวใจเป็นผู้ที่จะต้องไปหาปัจจัยสี่หาอาหารหาเครื่องนุ่มหอม หาที่วัยหายารักษาโรคให้แก่ร่างกายดังนั้นถ้าเราอยากจะไม่ให้ลให้ใจต้องแบกภาระมากจนเกินไปพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราควรเลี้ยงดูร่างกายด้วยหลักของความมากน้อยสันโดษพยายามใช้น้อยน้อยมีน้อยน้อย เท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของร่างกายอย่าใช้มากๆอย่ามีมากๆอย่ากินมากๆอย่าดื่มมากๆจนเกินไปซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่ากินมากกินน้อยร่างกายถ้ามันได้สิ่งที่มันต้องการที่พอเพียงมันก็อยู่ได้เหมือนกัน กินของถูกกินของแพงมันก็อยู่ได้เหมือนกันแต่ถ้าใช้ของแพงๆใช้ของมากๆมันก็ต้องทำให้ใจนี้ต้องไปขวนขวายหาเงินหาทองหาข้าวหาของมาคอยเลี้ยงดูร่างกายซึ่งจะเป็นภาระให้แก่ใจที่เราต้องดูแลรักษาด้วยเหมือนกัน เราก็ไม่ต้องการให้ใจต้องมาแบกภาระของร่างกายมากกว่าเกินกว่าความจำเป็นวิธีที่เราจะเลี้ยงดูร่างกายแบบที่ไม่สร้างภาระให้กับใจมากจนเกินไปเราก็ต้องมองร่างกายว่าเป็นเหมือนคนรับใช้สังเกตดูเวลาเรามีคนรับใช้มาอยู่กับเราเนี้ยเราเลี้ยงคนรับใช้แบบหนึ่ง แต่เราเลี้ยงร่างกายของเราตัวเหล่านี้อีกแบบหนึง่งกับตัวเหล่านี้ต้องใช้ของดีใช้ของแพงแต่กับคนใช้ใช้ของถูกๆใช้ไม่ต้องใช้ของดีก็ได้เพราะเราไม่ต้องการที่จะต้องเสียงเงินเลี้ยงคนใช้มากจนเกินไปนั่นเองฉันใดถ้าเราไม่อยากจะต้องมาแบกภาระมาเพิ่มความทุกข์ให้กับใจโดยใช่เหตุ เราก็ต้องเรียงดูร่างกายนี้เหมือนเหมือนเป็นคนรับใช้ของเรา <S <S <S ซึ่งความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายนี้เป็นบ่าวใจเป็นเจ้านายแต่เจ้านายไปหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยใช้ของหาของดีๆหาของแพงๆมาให้คนรับใช้ได้อยู่ได้ใช้ได้กิน ใจก็เลยต้องมาเครียดกับการที่จะต้องมาหาปัจจัยสิ่งมาเลี้ยงร่างกาย mm hmm. นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่มาบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับชีวิตเพราะเครื่องหนึ่งอยู่อย่างสุขอย่างสบายคือร่างกายในเครื่องหนึ่งต้องมาทุกข์มาเครียดกับการที่จะต้องหาของต่างๆมาเลี้ยงดู mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงสอนพระเนี่ยที่มาบวชอยู่เนี่ยให้เลี้ยงดูร่างกายเหมือนกับเลี้ยงดูคนรับใช้ให้ร่างกายใช้ของฟรีจะได้ไม่ต้องไปหาเงินมาเราเลี้ยงดูร่างกายเช่นอาหารก็ให้ไปบินทบาทร่างกายให้ไปบินทบาทไม่ให้ร่างกายขี้เกียจให้ร่างกายไปหาไปบินทบาทไปขอทาน ได้รับอาหารมากินอย่ น, นี้ใจก็สบายไม่ต้องไปหาเงินมาเลี้ยงไปซื้ออาหารมาเลี้ยงร่างกายเพียงแต่พาร่างกายให้ไปเข้าไปในหมู่บ้านเดินรอบหมู่บ้า น, น, นก็จะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะทําบุญเขาก็จะส่อาหารมาให้ตามมีตามเกิด น, นี่คือวิธีเลี้ยงร่างกายแบบคนรับใช้ ต้องเลี้ยงแบบพระพุทธเจ้าเลี้ยงร่างกายของพระ อ, องค์เองพระพุทธเจ้าทรงเลี้ยงร่างกายของพระ อ, องค์ด้วยการออกบินทบาทออกบิณทบาททุกวันถึงแม้จะเป็นพระอาหารหันตสัส ม, มาสามพุทธเจ้าเป็นพระที่วิเศษเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สูงสุดของโลกก็ตามแต่การเลี้ยงดูร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ยังเลี้ยงดูแบบ ขอทานให้ร่างกายเป็นขอไปขอทานไปหาอาหารมากินเพราะว่าอย่างนี้มันจะได้ไม่มากดดันไม่มาสร้างภาระให้กับใจที่จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายนั่นเองหาแบบบินทบาทนี้ก็จะได้มากน้อยและสันโดษก็คือก็บินทบาทพอคิดว่าพอได้อาหารพอเพียงก็หยุดบินทบาทได้กลับวัดได้ หรือถ้าว่าไม่พอเพียงก็ยินดีตามมีตามเกิดไม่ว่าสันโดษได้ได้มากบ้างบางวันได้น้อยบ้างบางวันพอกินบ้างบางวันไม่พอกินบ้างบางวันก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเรื่องของร่างกายที่เป็นคนรับใช้ของใจใจไม่ได้กินอาหารของร่างกายใจไม่ได้สุขไม่ได้อิ่มไปกับความอิ่มความสบายของร่างกายแต่อย่างไร เพราะฉะนั้นใจอย่าไปหลงเลี้ยงร่างกายให้ดีจนเกินไปจนกลายเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจ <Okay. S 2> อย่างคนที่หลงกับการหาปัจจัยสีดีๆแพงๆมาให้กับร่างกายห <Okay. S 2> าเงินเครียดกับการหาเงินหาทอง <Okay. S 2> เครียดกับการไปกู้หนี้ยืมสิน <Okay. S 2> ซื้อบ้านแต่ละหลังราคาเป็นล้าน okay. ตัวเองเงินก็ไม่มีก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็ต้องไปผ่อนสง่งเครียดกับทุกเดือนพอถึงสิ้นเดือนเงินเดือนออกก็บางทีก็มีไม่พอผ่อนสง่งก็มีอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่เกินตัวอยู่เกินฐานะของตนเองไม่มากน้อยไม่สันโดษถ้ามากน้อยก็มีเงินเดือนเท่าไหร่ก็ใช้ตามกรอบของเงินเดือนที่เรามีอยู่ ซื้อบ้านไม่ได้ก็เช่าบ้านอยู่ไปก็ได้บ้านเราเวลาตายไปเราก็เอาไปกับเราไม่ได้อยู่ดีบ้านมันก็เป็นของคนอื่นไปเรามาเครียดมาทุกข์กับการหาเงินมาซื้อบ้านแ้าเป็นแทบตายเอาตายไปเอาไปเอาบ้านไปไม่ได้เลยทิ้งให้คนอื่นเขาไปจึงไม่ฉลาดคนฉลาดจึงไม่เลี้ยงดูร่างกายแบบ แบบเป็นเจ้านาย <c oughs> พวกเราเป็นพวกคนโง่เลี้ยงดูร่างกายเหมือนเลี้ยงเจ้านาย <c oughs> ต้องหาของดีๆมาให้ร่างกายของเรากินหาของดีๆหาของแพงๆมาให้ร่างกายใช й, ห้หาง้าบ้านที่มีราคาแพงๆมาให้ร่างกายอยู่หาเสื้อผ้าพรที่มีราคาแพงๆมาให้ร่างกายสวมใส่ <c oughs> หายารักษาโรค หาโรงพยาบาลที่มีราคาแพงๆมารักษาโรคของร่างกายแต่รักษายังไงถ้ามันรักษาไม่ได้ก็ตายเหมือนกันตายแพง<ม>ดีกว่า<ม>ชอบตายแพงกันไม่ชอบตายถูกกันตายถูกก็แค่สามสิบาทเท่านั้นเองตายสามสิบบาทตายทุกโรคแต่ <c oughs> ชอบตายแพงชอบตายเป็นล้านกันเนี่ย ไม่มีข่าวว่ามีคนบางคนรักษาพยาบาลพ่อแม่หรือใครไม่ทราบเป็นโรคติดเตียงรักษามาหลายหลายเป็นสิบปีหมดไปเป็นสิบล้านรักษาไปเนี่ยพาะไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเจ้านายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแต่ความจริงแล้วสิ่งที่มีความสำคัญก็คือใจใจนี่แหละเป็นตัวแทนของเรา ร่างกายไม่ใช่เป็นทัวแทนของเราร่างกายเป็นคนรับใช้เราเท่านั้นเอง <Yeah. S 2> คนชลาดอย่างพระพุทธเจ้าจึงไม่เลี้ยงดูร่างกายแบบ <Yeah. S 2> เลี้ยงดูเจ้านาย <Yeah. S 2> แต่เลี้ยงดูร่างกายแบบเลี้ยงดูคนรับใช้ <Yeah. S 2> อาหารก็ให้ไปบินฑบาต <Yeah. S 2> ขอกินได้มากได้น้อยก็ยินดีตามมักงสันโดษสันโดษคือความยินดีตามมีตามเกิด มังน้อยก็คือไม่เอามากเอาแค่วันละมื้อไม่กินมากเกินเกินไปวันมื้อเดียวก็อยู่ได้แล้วสบายร่างกายก็จะปลอดภัยจากโรคภัยที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปเสียด้วยซ้ํำไปสมัสยนี้เป็นยุคที่อยู่ดีกินดีกันเด็กนี่มีปัญหาเรื่องเรื่องการรับประทานอาหารมากเกินเกินไปเพราะอยากจะกินเมื่อไหร่ก็มีกิน พอแม่ก็รักลูกตามใจลูกลูกอยากกินอะไรก็หามาให้กินกินจนกระทั่งเกิดโรคตามมาน้ําหนักเกินเป็นเด็กอ้วนขึ้นมาในครอบครัวครอบครัวหนึน่งเขาต้องห้ามลูกไม่ให้กินของหวานของขนมเมื่อก่อนนี้เวลาบินธบาะก็จะแจกนมให้เขาอันนี้เขาบอกว่าของดก่อนเพราะว่าหมอบอกต้องลดน้ําหนักนะ ถ้ากินไปต่อไปต่อไปจะต้องเป็นลูกเบาหวานอย่างแน่นอน mm hmm. ก็เลยต้องลดลดอาหารหนงอดอาหารหนงตอนนี้น้ําหนักลดลงไปเยอะหลายกิโล mm hmm. นี่แหละคือการปัญหาเราไปหลงรักร่างกายหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นเรา mm hmm. เราก็เลยพยายามเลี้ยงดูมันอย่างดีให้มันอยู่อย่างอิบหมีพีมัน แล้วมันก็มาสร้างความทุกข์ใจให้กับใจใจต้งมาทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายทุกข์กับการที่จะต้องไปหาเงินหาทองมารักษาทุกข์กับการที่จะต้องไปหาเงินหาทองมามาเลี้ยงดูร่างกายเพราะเราไม่ได้ศึกษาความจริงกันเราไม่ได้เราไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจา้าถ้าเราได้ฟังธรรมของพระ พ, พุทธเจ้าอยู่นิดเดียวเราก็จะได้รู้วิธีที่จะเลี้ยงดูร่างกาย แบบที่ไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความยากลาบากให้กับใจก็คือเลี้ยงแบบมากน้อยสันโดษเราจะสอนนักบวชที่มาบวชในพระพุทธศาสนาให้มีความมากน้อยสันโดษวันที่บวชนี่จะทรงสอนวิธีหากินหาปัจจัยสี่ให้กับให้กับร่างกายข้อที่หนึ่งเพื่อให้บินทบาย ให้อาศาัยการบินทบาตนี้ไปตลอดชีวิตเลยไม่ให้เว้นถ้าไม่มีถ้าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยให้ถือการบินทบาติเป็นวิธีการเลี้ยงร่างกาย<ม><ม>เพื่อที่จะไดะ้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการที่จะต้องไปคอยหาเงินหาทองหาอาหารอาหารอะไรต่างๆที่วิเศษวิโสมาเลี้ยงดูร่างกายกัน ร่างกายกินอะไรเข้าไปพอมันอิ่มมันก็หมดปัญหาปัญหามันอยู่ที่ความหิวทัานนั้นมันไม่ได้ปัญหาอยู่ที่ว่าได้กินอาหารดีหรือไม่อาหารไม่ดีปัญหามันอยู่ที่ความหิวถ้าเรากินอาหารเข้าไปแล้วดับความหิวได้นั่นจะถูกจะแพงก็เหมือนกันทำหน้าที่ได้เท่าเทียมกันแล้วเรื่องอะไรต้องไปเสียเงินมากๆเพื่อดับความหิวในเมื่อเราสามารถ ซื้อของถูกๆ ก, กินแ ล, แล้วก็ทำดับความหิว bon ได้เช่นเดียวกันเวลาภาาบวชใหม่นีบวชเสร็จปั๊บอุปชาจะสอนนิสัยสี่คือหนึ่งเนี่ยบินทบาตให้ให้เป็นนิสัยด้วยการบินทบาตสำหรับอาหารแล้วเครื่องนุ่งห่มคือทีวอนก็ให้ใช้ผ้าบางสกุลคำว่าบางสกุลก็คือผ้าผ้าห่อศพ พระที่สมัยก่อนสมัยพุทธกาลนี้พระที่บวชนี้จะไปหาผ้าบางสกุลมาคือไปหาผ้าหอ่อศพเพราะธรรมเนียมสมัยก่อนเขาไม่ได้เอาไปนั่งกายคนตายไปเผาหรือไปฝังแ เ, เอาผ้ามัดแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชา้าให้มันเน่าเปื่อยไปให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลมไฟไพอร่างกาย แห้งกรอบไปเหลือแต่โครงกระดูกผ้านั้นก็หมดความ ส, สำคัญนักบวชสมัยนั้นก็จะไปเก็บผ้าเวลาที่ต้องการที่จะตัดเย็บจีวร<ม>เพราะว่าเป็นของฟรีไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อผ้า<ม>นักบวชเขาไม่นิยมมีเงินมีทองกันเพราะการมีเงินนี้มันเป็นภาระต้องคอยหาเงินหาทอง ได้มาแล้วก็เป็นภาระต้องคอยเก็บรักษาแล้วก็จะเป็นภัยต่อตอนเองเพราะเมื่อมีเงินมีทองติดตัวอยู่มันก็จะเป็นเป้าของมิจฉาชีพได้ยิ่งเป็นพะอยู่ในป่าไม่มีที่อยู่อาศัยแบบที่ปลอดมิจฉิสถ้ามีเงินมีทองติดตัวอยู่เดี๋ยวก็จะถูกพวกมิจฉาชีพมาจี้มาพ้น <c oughs> ก็เลยต้องอยู่แบบขอทานอยู่แบบไม่มีเงินมีทองใช้ของฟรี อาหารก็ฟรีด้วยการบินทบาลเครื่องนุ่งห่มก็ฟรีด้วยการไปเก็บผ้าบางสกุลผ้าห่อศพนี่เอามาเอามาซักเอามาย้อมเอามาตัดเอามาแย็กเป็นจีวรได้สมัยนี้เราก็มีผ้าบางสกุลแต่เป็นการบางสกุลเทียมเป็นการบางสกุลแบบเรียนแบบก็คือเวลาที่เขาเอาเอาผ้าไปวางไว้หีบศพนี่ เขาเรียกว่าผ้าบางสกุลเพื่อให้ผ้าไปชักผ้าไปเก็บผ้าบางสกุลแต่มันไม่ได้เป็นผ้าห่อศพจริงๆเป็นผ้าที่เขาตัดเย็บมาอย่างสวยงามต้องเสียเงินซื้อต้องหลายชุดละหลายพันบาทเอามาเป็นผ้าบางสกุลถ้าเป็นผ้าบางสกุลจริงต้องเป็นผ้าหอศพผ้าที่เขาทิ้งแล้วไม่มีใครต้องการไปไปเก็บมาแล้วเราก็เอามาซักเอามาย้อม แล้วก็ามาตัดมาเยกเป็นผืนใหญ่ได้อันนี้ก็คือนิสัยที่สอง<ม>คือเรื่องเรื่องเรื่องเครื่องนุ่งห่มของพระ<ม>ให้ใช้ผ้าบางสกุล<ม>นิสัยที่สามก็คือที่อยู่อาศัย<ม>ให้อยู่ตามคนไม้อยูอย่ตามป่า<ม>อยู่ตามคนไม้นี่เอากิ่งไม้เอาใบไม้ามาทำเป็นเพิงหลบแดดหลบฝน อย่างนี้ก็ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องซื้อวัสดุก่อสร้างมาสร้างกุฏิสร้างอะไรกันสมัยนั้นพระเขาอยู่กันแบบนี้จริงๆเพราะเป็นพระป่าแล้วก็ชอบอยู่ตามป่าตามเขาเพราะว่าเป็นที่เหมาะกับการบำเพ็ญต่อการดุดพ้นจากความทุกข์ของใจใจจะดุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกเพื่อทใจให้สงบ เมื่อใจสงบใจก็จะได้กําจัดตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือกิเลสตัณหาต่างๆได้แต่ถ้าปฏิบัติอยู่ตามบ้านตามเมืองนี้มันทําใจให้สงบได้ยากก็จะมีเสียงยั่วยวนกวนใจเช่นรูปเสียงกลิ่นน็ต่างๆพอเห็นรูปก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาทันทีพอได้ยินเสียงก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาทันที แทนที่จะทำให้ใจสงบกลับทำให้ใจฟุ้งซ่านทำให้ใจเครียดขึ้นมานักบวชจึงนิยมไปอยู่กันตามป่าตามเขาสมัยก่อนมีแต่ภาพป่าไม่มีภาพบ้านภาเมืองไม่มีวาดวาลาเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเขาเป็นภาพธุดงกันจริงๆอยู่ในป่าในเขาแล้วก็อยู่แบบใช้ของฟรีอยู่อยู่ตามถ้ำบ้างถ้าก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อ แล้ว อ, อยู่ตามเงื่อมผาแล้ว อ, อ, อยู่ตามเรือนร้างอาจจะมีเรือนร้างบ้านของใครเขาทิงท้งกทิ้งร้างไปไม่มีใครอยู่ก็ไปอยู่ในสถานที่ก็คือให้มีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พ อ, อแล้วถ้าเป็นพระนี้จะเป็นคนยากจนไม่มีมิจฉาชีพที่อยากจะมาป้นมาเจียอะไรเพราะเพราะทรัพย์สมบัติของพระนี้ไม่มีใครต้องการ ทรับสมบัติของพ้านี้พระพุทธเจ้าก็นิยาตให้มีอยู่แปดชิ้นด้วยกันตัวหนึ่งบาทไว้สำหรับบินทบาทสองผ้ 2, าจีวรสามผืนผ้าไตจีวรหนึ่งสำหรับก็เป็นสี่แล้วก็เข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นก็เป็นห้าที่กรนวดก็เป็นหกใบมีโกรไว้กรนวดก็เป็นหก<ๆ>เข็มก็ได้ไว้สำหรับซ่อมจีวรเวลามันขาด<ๆ>ก็เป็นเจ็ด แล้วก็ที่กรองน้ำที่ตักน้ำเพื่อเวลาสมัยก่อนต้องไปเอาน้ำตามลำห้วยลำธารขึ้นมาดื่ม <c oughs> ก็ต้องมีที่กรองให้มันไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วย <c oughs> เรียกว่าที่กรองน้านี่คือทรัพย์สมบัติของนักบวชในสมัย น, นั้น <c oughs> จึงอยู่ในป่าในเขาได้อย่างไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีมิจฉาชีพต้องการทรัพย์สมบัติของพระไม่รู้จะเอาบายไปทำอะไร <c oughs> ไม่จาชีวไปก็ขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อผ้าก็เป็นผ้าบางสกุลผ้าหอ่อศพก็ไม่มีใครอยากจะได้เลยไม่มีสมบัติอะไรที่มีคุณค่าราคาจึงทำให้สามารถอยู่ในปานใ่าในเขาในที่เปลี่ยวได้โดยปลอดภัยเพราะไม่มีใครจวนจ้องที่จะมาเอาทรัพย์สินของของพระไปนี่ก็คือที่อยู่อาศัยข้อที่สาม ปัจจัยข้อที่สามก็คือที่อยู่อาศัยของพระให้อยู่ตามมีตามเกิดอยู่อยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำตามเงื้อผาเป็นสถานที่สงบสงัดเหมาะต่อการบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อปลดปิ่มความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วก็นิสัยข้อที่สี่ก็คือให้ใช้ยาดองน้ำมูด ดื่มเป็นยารักษาโรคใช้น้ําปัสสวะเนี่ยคือน้ํามูดนี่คือน้ําปัสวะดองกับผลไม้บางอย่างบางชนิดเช่นสมอหรือมะขามป้อมดองแล้วก็สามารถดื่มน้ําน้ําดองของน้ําสมอนนี้ได้น้ําก็ใช้น้ําปัสวะนี่ไม่ต้องไปหาเกลือมาหมักมาอะไรน้ําปัสวะก็มีเกลืออยู่แล้ว ก็ลให้ใช้นะชายาดองน้ำมูดยาดองน้ำปัสสวะเวลาเจ็บท้องเวลาปวดท้องปวดศรีรษะอะไรก็ดื่มยาแบบนี้ไปก็พอที่จะเยียวยารักษากันไปได้ น, นี่คือสิ่งที่พระอุปชาทุกรูปจะต้องสอนพระ บ, บวดใหม่ให้รู้วิธีอยู่ที่ถูกต้องที่แท้จริงของพระนั้นต้องทำอย่างไรบ้างต้องออกบิณฑบาต ต้องใช้ผ้าบางสกุลต้องอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามคนไม้ลุกขมูลละเสนาสนังแล้วก็ ใ, ให้ให้ใช้ยาดองน้ำมูลไว้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของพวกนี้เป็นของฟรีทั้งหมดไม่ต้องไปหาเงินซื้อไม่ต้องไปเดือดร้อนชาวบ้านไม่ต้องไปขอเขาขอยาจากชาวบ้านไม่ต้องไปขอซื้อผ้าจากชาวบ้าน ไม่ต้องไปขอที่อยู่จากชาวบ้านขออย่างเดียวก็คืออาหารเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ให้ขอไม่ให้พูดไม่ให้ไปขอขอข้าวอะไรอย่างนี้เป็นขอทานไม่ใช่เป็นการบินธบาติบินธบาติเป็นการโปรดสัตว์คือเป็นการไปเปิดโอกาสให้สัตว์โลกที่อยากจะทำบุญได้มีโอกาสได้ทำบุญแต่ถ้าไม่อยากจะทำบุญก็ไม่ไปรบกวนไม่ไปเคาะประตูเรียกขอนูน่นขอนี่ เดินไปตามในในหมู่บ้านแล้วแต่ใครก็มีศรัทธาอยากจะใส่บาตรก็ใส่ไปไม่ใส่ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พูดอะไร uh huh. เดินด้วยความสงบเงียบ uh huh. นี่เกินิสัยของพระที่เรียกว่านิสัยส uh ี huh. ่ที่พระบวชใหม่ทุกรูปเมื่อบวชแล้วจะต้องเรียนรู้ทันทีเพื่อที่จะได้เป็นใช้เป็นวิธีการเลี้ยงดูร่างกาย uh huh. จะได้ไม่ต้องมากังวลกับการที่จะต้องไปหาเงินมาซื้ออาหารมาเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องไปกังวลกับการไปหากุติหาที่อยู่อาศัย<ม>ไปรบกวนญาติโยมมาช่วยสร้างกุติให้<ม>แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับการไปหาผ้า<ม>ผ้าก็ใช้ผ้าบางสกุ<ม>ยลยารักษาโรค ก, ก็ใช้ยาดองน้ำมดูด อันนี้เป็นเหตุการณ์ในในสมัยพุทธกาลแต่ในปัจจุบันนี้ก็คงจะทํายากได้ยากแล้วเพราะผ้าบางสกุลจริงๆก็ไม่มี <Yeah. S 2> ก็ใช้ถือหลักว่าใช้ผ้าเก่าก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผ้าใหม่มีผ้าศึกไปต้องเยอะแยะมีผ้าที่เขาทิ้งไว้อยู่ในวัดเยอะแยะถ้าเราอยากจะใช้คล้ายๆกับผ้าบางสกุลก็ไปใช้ผ้าเก่า <Yeah. S 2> ผ้าเก่าก็เป็นผ้าห่อศพเป็นคน คนที่ศึกไปก็เป็นร่างกาย<ม>ก็เป็นเหมือนศพเนี่ยเพียง<ม>แต่ว่ายังมีลมหายใจเท่านั้นเองผ้าเก่าผ้าจีวรเก่าก็เหมือนกับเป็นผ้าบางสกุลได้<ม>บาทเก่าก็ได้ไม่ต้องซื้อบาทใหม่ถ้าจะบวชจริงๆนี่บริขานเก่าที่คนที่ศึกไปเนี่<ม>ก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกับไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อเขียนไม่ว่าเวลาบวชใหม่ต้องใช้บาทใหม่ต้องเป็นผ้าใหม่ไม่มีม ใช้ขอให้มีบาทแล้วก็ขอให้มีจีวรเท่านั้นเองมีผ้าสามผืนก็บวชได้ <c oughs> นี่คือวิธีการอยู่เลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ที่จะไม่มาเป็นภาระไม่มาสร้างความหนัก อ, อกหนักใจให้แก่ใจผู้ที่เป็นผู้ต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายเพราะว่าเราต้องการที่จะ กำจัดความทุกข์ทั้งทางร่างกายและกำจัดความทุกข์ทางใจด้วยไม่ใช่เรามากำจัดความทุกข์ทางร่างกายแล้วก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับทางใจอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผิดเราต้องกำจัดความทุกข์ทางร่างกายโดยที่ไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจวิธีที่จะทำให้เราทำแบบนี้ได้ก็คือต้องใช้หลักมักน้อยสันโดยให้ใช้น้อยๆใช้ของที่ไม่ต้องแพง ใช้ของที่ทำหน้าที่ได้อาหารกินแล้วก็อิ่มอาหารจะมีราคาห้าร้อยหรือร้อยหนึ่งกินอิ่มเข้าไปกินเข้าไปในท้องมันก็อิ่มเหมือนกันใช้น้อยจะได้ไม่ต้องไปเดินนอนหาเงินมามามาใช้นั่นเองถ้าใช้มากก็ต้องหาเงินมากก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากถ้าใช้น้อยก็จะไม่ต้องหาเงินมาก หาเงินน้อยก็สบายหาแบบสบายสบายได้อาหารก็ถูกที่สุดดีที่สุด เ, เพราะว่ามันจะได้ไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่สร้างภาระให้กับใจถ้าเรามองถึงถึงผลที่จะกระทบกับใจแล้วเราถึงจะเข้าใจว่าทำไมใช้ของถูกๆนี่มันดีกว่าใช้ของแพงๆใช้ของแพงๆนี่มันไปกดดันไปสร้างภาระให้กับใจ ที่จะต้องไปคอยหาเงินหาทองมาซื้อของแพงๆมาเลี้ยงดูร่างกายแล้ร่างกายนี้มองให้มันเห็นว่ามันเป็นคนรับใช้เราถ้ามันเป็นคนรับใช้เรารับเราเชื่อได้เลยว่าจะไม่เลี้ยงเลี้ยงคนรับใช้เราเหมือนเลี้ยงเจ้าหนายเลี้ยงตัวเร า, าไปสังเกตดูบ้านไหนก็ตามบ้านใหญ่โตมโหลารนเจ้านายอยู่แต่บ้านคนใช้มีห้องเล็กๆอยู่ข้างหลังทําไมไม่ให้คนใช้มาอยู่บ้านบ้านใหญ่ ก็เพราะว่าเขาเป็นคนใช้เราเป็นเจ้านายเราเป็นเจ้านายเจ้าของบ้านเราต้องอยู่บ้านใหญ่ๆ ห, ห้องใหญ่ๆติดแอรติดอะไรลายคนใช้ก็อยู่ห้องเล็กๆก็พอตบใช้ถ้าร้อนก็มีพัดลมให้สักอันหนึ่งก็ดีอยู่แล้ว <S <S อันนี้เนี่ยคือวิธีการที่เราจะเลี้ยงดูร่างกายโดยที่ไม่มาสร้างภาระสร้างความทุกข์ยากลาบากให้กับใจ ต้องมองร่างกายว่าเป็นเหมือนคนรับใช้เราให้มันอยู่แบบถูกที่สุดนะพอให้มันอยู่ได้นะที่อยู่อาศัยก็ให้มันหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่ไม่ถูกแดดไม่ถูกฝนปะ้องกันแดดป้องกันฝนจะเป็นราคามากหรือน้อยไม่สำคัญถ้าเป็นคนใช้ก็นะใช้ของถูกๆนะจะได้ไม่มาเป็นภาระ ต่อเจ้าเจ้านายเจ้าของบ้านที่จะต้องไปหาเงินทองมาเลี้ยงดูคนใช้นั่นเองดูร่างกายให้เหมือนกับเป็นคนรับใช้เราไม่ใช่ตัวเราความจริงแล้วร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วเพีแต่ความหลงมันไปทำให้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกาย mm. เราเป็นใจผู้มาครอบครองร่างกายผู้มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการไปหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ความสุขที่มีในโลกนี้คืออะไรก็คือราบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกมิ้นกายเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะมาเสพความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะชนิดต่างๆได้ แล้วเราอย่าไปเอย่าไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วอย่าไปคิดว่ามันจะอยู่ไปตลอด mm. มันอยู่ได้ไม่เกินน้อยปีมันก็ต้องตายไปดั mm. นั้นอย่าเสียเวลาอย่าต้องเสียเงินเสียทางต้องไปทุกข์ยากลำบากกับการไปหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูร่างกายเกินความจาเป็นเลี้ยงตามความจำเป็น mm. จาความจำเป็นก็คือมากน้อย ให้ใช้ของน้อยที่สุดพอที่จะให้มันอยู่ได้อาหารก็ถูกที่สุดให้มันอยู่ได้<ม>กินแล้วไม่ดับความหิวได้เสื้อผ้าก็ให้มันมีไว้สําหรับปกปิดร่างกาย<ม>แล้วก็ป้องกันภัยที่เกิดจากอากาศหนาเนวเย็นหรือจากแมลงสัตว์กัดต่อย<ม>นี่ก็คือหน้ า, นาที่ของเสื้อผ้าจะมีจะมีราคาแพงหรือราคาถูกมันก็ทําหน้าที่เหมือนกัน มันไม่ได้ทำให้วิเศษวิโสขึ้นมาใช้เสื้อผ้าราคาแพงๆกับใช้เสื้อผ้าราคาถูกๆก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายมันวิเศษขึ้นมาแต่อย่างใดมันก็เป็นร่างกายอันเดิมเหมือนกันเพียงแต่เราไปหลงว่าโอ้พรพอเราใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆแล้วเราจะสวยงามไปกับเขาด้วยสว ย, สวยงามไปกับเสื้อผ้าด้วยถ้าร่างกายมันไม่สวยแต่งง่ ม, มันก็ไม่สวยสมัยนี้อุตส่าห์เอาเสื้อผ้าใส่ให้กับหมาดู มันก็ยังเป็นหมาอยู่นั่นเนะี่ยมันไม่ได้เป็นคนขึ้นมาหรอก <Yeah. S 2> แต่ก็หลงกันรักรักหมามากก็เลยอยากให้หมาเป็นคนก็เลยไปซื้อเสื้อผ้าของคนมาให้หมาใส่ไง <Yeah. S 2> คิดว่าใส่แล้วมันจะกลายเป็นคนขึ้นมามันไม่เป็นมันไ ม, ไ, มไม่เป็นคนหรอกมันก็ยังเป็นหมาอยู่ดีนะอ <Yeah. S 2> yeah. ย่างนั้นไม่ต้องไปไปไปดูแลร่างกายเกินความจำเป็นนะให้รู้ว่าสิ่งที่ร่างกายต้องการอะไร แล้วก็สามารถให้สิ่งที่มันต้องการได้อาหารมันต้องการอาหารเพื่อดับความหิวก็หาอาหารมาให้มันกินให้มันดับความหิวได้จะอาหารราคามื้อละร้อยหรือมื้อละห้าร้อยมันก็ดับความหิวได้เหมือนกันแล้วเรื่องอะไรเราไม่เสียงเงินให้ห้าร้อยถ้าเราใช้ร้อยเดียวได้ <Yeah. S 1> เราก็ถ้าเราเลี้ยงคนใช้เราก็ไม่อยากจะเลี้ยงเขาห้าร้อยละเราก็เลี้ยงเขาแค่้อยเดียวก็พอ yeah. Yeah. อาหารก็ ให้มันนักมากน้อยครับก็ให้มันถูกที่สุดน้อยที่สุดเท่าที่แต่พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเสื้อผ้าก็เหมือนกันเสื้อผ้าให้มันมีราคาถูกที่สุด<ม>แต่ก็ทำหน้าที่ของเสื้อผ้าได้ปกปิดร่างกายอาไว้วาต่างๆของร่างกายได้ท่านี้ก็พอ<ม>ที่อยู่อาศัยก็พอมีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอ<ม>จะเป็นข้อรละหาร้อยล้านหรือจะเป็นบ้านเช่าเดือนละพันสองพัน มันก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกัน mm hmm. เวลานอนหลับก็ไม่รู้ว่านอ น, mm hmm. นอนในข้าราชกาหรือนอนในบ้านเช่า mm hmm. รู้ไม่เวลานอนเรานอนที่ไหนเวล า, นานหลับ mm hmm. ไม่รู้แหะขอให้มันหลับเท่านั้นเอง mm hmm. คนบางคนนอยข้าราชการ้อยล้านกับนอนไม่หลับเสียด้วยซ้ําไปเพราะมีภาระนี่ต้องจ่าย mm hmm. แต่คนที่เช่าห้องเช่าเดือนละสองพันนี่นอนหลับปุ๋ยสบายเพราะไม่มีภาระต้ที่ต้องมากังวลไปหาเงินมาจ่ายค่าเช่า mm hmm. เพราะว่ามันไม่แพงมนพอหาได้พอไม่ยากลำบากแต่อย่างใด mm. แล้วก็ยารักษาโรค ก, ก็เหมือนกันสมัยนี้ก็มีหลากหลายราคาด้วยกันราคาตั้งแต่สามสิบบาทขึ้นไปจนถึงเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีเ mm. จ็บไ้ได้ป่วยครั้งหนึ่งถ้าเป็นคนยากคนจนก็เสียแค่สามสิบถ้าเป็นคนรวยก็ต้องเสียสามหมื่นสามแสนถึงจะหาย อย่างมันก็หายเหมือนกันถ้าไม่หายมันก็ตายเหมือนกันถ้าเป็นโรคที่จะต้องตายมันก็ตายเหมือนกันถ้าเป็นโรคที่มันจะหายมันก็หายเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วมีโรคอยู่สามชนิดชนิดแรกเป็นแล้วหายเองไม่ต้องรักษาก็ได้เช่นเป็นหวัดนี่เราพอเป็นสักสองสามวันมันก็หายเองได้ปวดหัวตัวร้อนบางทีมันเป็นแล้วมันเดี๋ยวมันก็หายได้ทั้งเสียแล้วเดี๋ยวมันก็หายได้ ไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงินเสียทางรักษาก็ได้อันนี้คือโรคชนิดหนึ่งเป็นแล้วก็หายเองอชนิดที่สองเป็นแล้วต้องรักษากถึงยาหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายอย่างนี้ก็ต้องไปหาหมอไปหายามารักษากแล้วชนิดที่สามก็เป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็ต้องอยู่กันไปจนกว่ามันจะตายจากกันไป ก็มีแค่สามโลกนี้เท่า น, นั้นทุกๆคนไม่ว่าจะรวยจะจนมีมากมีน้อยก็จะต้องเจอกับโลกทั้งสามชนิดนี้เช่นเดียวกันโดยในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันไม่ว่าจะรวยจะจนขนาดไหนจะมีเงินรักษาโาครคภัยแค่เจ็บได้มากน้อยขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อมันถึงเวลามันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนจึงไม่ควรที่จะต้องไปมิตกกังวลไม่ต้องไปแบก ท่าะให้มันมากมายกายกองกับการเลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงไปตามมีตามเกิดตามเหตุตามผลเลี้ยงด้วยความมักน้อยสันโดษแล้วจิตใจจะได้ ส, สบายไม่เครียดไม่ไม่ต้องมาวิตกมากังวลกับการที่จะมาคอยคอยดูดูแลเลี้ยงดูร่างกายอันนี้คือปัจจัยสี่ที่เราจําเป็นจะต้องมีเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย มีอาหารไว้สําหรับกินเพื่อให้ร่างกายมันอิ่มจะได้ไม่หิวมีเสื้อผ้าไว้ใส่เพื่อปกป้องร่างกายปกปิดร่างกายปกปิดอวัยวะต่างๆ ต, ต้องการภัยจากอากาศหนาวเย็นหรือมลาสาัตว์กัดต่อย mm. แล้วก็ที่อยู่อาศัยก็มีไว้ที่เป็นหลบแดดหลบฝนที่ตรงไหนมีที่มุงที่บงังพอหลบแดดหลบฝนได้ก็ถือว่าใช้ได้ mm. แล้วก็ข้อที่สี่ก็อยารักษาโรคให้รักษา แบบถูกที่สุดจะได้ไม่ต้องมาเป็นเป็นภาละให้กับใจเราต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายแต่ให้เราเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนวันหนึ่งมันก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันทุกคนแล้ ว, ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกหรือเป็นขอทานข้างถนนร่างกายของคนรวยกับคนจนนี้มีจุดหมายปลายทางที่เดียวกันทุกคนคือความตายด้วยกัน ตอให้เลี้ยงดูดีขนาดไหนก็ต้องตายเลี้ยงดูแบบไม่ดีมันก็ต้องตายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปหลงพยายามที่จะเลี้ยงดูร่างกายให้มันดีจนทำให้ใจเราต้องมาทุกข์กับมันเพราะเราต้องการให้มีความสุขทั้งกายและสุขทั้งใจใจก็ต้องไม่ทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายสุขของกายก็คือการบาบัดความความทุกข์ยากคือสิ่งที่ ขาดแคลนต่อร่างกายเราก็ต้องหามาให้มันไม่มีอาหารก็ต้องหาอาหารมาให้มันกินไม่มีเสื้อผ้าก็ต้องหาเสื้อผ้ามาให้มันใส่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องหาที่อยู่อาศัยให้มันอยู่ไม่มียารักษาโรค ก, ก็ต้องหาแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาแบบราคาแพงๆหาตามกำลังของเราเพื่อที่จะได้ไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจอันนี้คือเรื่องปัจจัย ปัจจัยสี่ที่เป็นที่พึ่งทางร่างกายที่พวกเราทุกคนจาเป็นจะต้องมีถ้าเราอยากจะให้ชีวิตครึ่งหนึ่งของชีวิตเหล่านี้มีอยู่อย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์ก็คือต้องมีปัจจัยสี่ตามมีตามเกิดตามหลักของความมากน้อยสันโดษเพื่อที่จะได้ไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจผู้เป็นผู้ที่จะต้องไปไปหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายพอเรามีปัจจัยสี่ เลี้ยงแบบนั่งน้อยสันโดษแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับปัญหาของร่างกายเลี้ยงไปตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็ว<ม>แล้วเราก็ต้องมาหาปัจจัยสี่มาหาที่พึ่งทางใจให้ใ ห, ให้กับกับใจด้วยใจก็เหมือนเหมือนร่างกายใจก็ต้องการที่พึ่งที่พึ่งของใจก็เหมือนกับที่พึ่งของร่างกายก็คือปัจจัยสี่เหมือนกัน คือใจก็ต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่มหอมต้องการที่อยู่อาศัยต้องการยารักษาโรคเหมือนกับร่างกายเพียงแต่ว่าปัจจัยสี่ของใจนี้มันไม่เหมือนกับของของร่างกายอาหารอาหารของร่างกายก็คือกับข้าวกับปลาสิ่งที่เรารับประทานกันแต่อาหารของใจนี้ไม่ได้เป็นกับข้าวกับปลาอาหารที่ร่างกายรับประทาน แต่เป็นบุญบุญนึกทานการให้การทําบุญทําทานนี่แหละเป็นการให้ความอิ่มกับใจใจเวลาสังเกตุเวลาที่เราได้ทําบุญทําทานกันแล้วเราจะรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอันนี้แหละคืออาหารของของใจถ้าเราเวลาที่เรามีความหิวใจเราหิวอยากได้นู่นอยากได้นี่แสดงว่าใจไม่ได้ทําบุญขาดบุญไม่ได้ขาดสิ่งที่เราอยากได้ บางคนคิดว่าเราขาดขาดขาดกระเป๋าขาดรองเท้าทั้งทั้งที่กระเป๋าเราก็มีพออยู่แล้วรองเท้าเราก็มีพออยู่แล้วอันนี้มันไม่ได้เป็นความความต้องการหรือเป็นอาหารของใจไปซื้อกระเป๋ามา ก, กี่ใบไปซื้อรองเท้ามา ก, กี่คู่มันก็ยังไม่ได้ทำให้ใจอิ่มการซื้อข้าวซื้อของต่างๆนี่มันกลับไปทาให้ใจหิวเพิ่มมากขึ้นเลก ซื้อซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ของใหม่ซื้อวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะได้ของใหม่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอาหารของใจมันเป็นเหมือนยาเสพติดของใจของฟุ้งเฟ้อต่างๆของที่เราไม่จําเป็นจะต้องมีนะแต่เราอยากจะได้กันเพราะเราเพราะเราอยากเราหิว<ม>ความอยากความหิวนี่มันเกิดจากการที่เราไม่ให้อาหารกับใจ<ม>เราไม่ทําบุญทําทานกัน<ม> ถ้าเราทำบุญทำทานเนี่ยใจของเราจะไม่ค่อยหิวกับอะไรเท่าไหร่การที่เราอยากได้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับใจเนี่มันเป็นมันเป็นเครื่องหมายบอกว่าว่าใจเราขาดการทำบุญทำทานขาดอาหารของใจแทนที่จะกินอาหารกลับไปกินยาเสพติดเนี่ยนคนที่เสพยาเสพติดเนี่ย ใช่เขาเลือกระหว่างยาเสพติดกับอาหารนี่เขาจะเอายาเสพติด mm hmm. เพราะว่าอาหารนี้มันไม่ได้ทําให้ใจเขามีความสุขเหมือนกับยาเสพติดพง mm hmm. แต่ว่ามันจะทำให้ให้มันติดกับติดยาเสพติดแล้วจะต้องเสพยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. แล้วเวลาไม่ได้เสพก็จะรู้สึกคิวโหย mm hmm. แล้วก็ทําให้ร่างกายสู่ผอมคนที่ติดยาเสพติดนี่มักจะสู่ผอม เพราะมักจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาถ้าต้องเลือกระหว่างอาหารกับยาเสพติดก็จะไปซื้อยาเสพติดมาเสกกันฉันใดคนที่ยังไปหาความสุขจากสิ่งที่ไม่จําเป็นหาของฟุ่มเฟือยมาใช้เนี่ยเป็นพวกที่ไม่ได้ทําบุญทําทานเงินไม่ได้ให้อาหารกับใจใจก็เลยหิวแล้วไปหาสิ่งฟุ่มเฟือยมาได้มากได้น้อยเท่าไหร่มาได้ล้นตู้เต็มตู้เต็มบ้านขอเข้าวของเต็มบ้าน มันก็ไม่ได้ทําใจให้อิ่มเสทีทีมันก็ยังหิวยังอยากอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดที่ไม่ให้ความอิ่มกับร่างกายชั้นใดของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จําเป็นต่างๆนี้มันก็เป็นของเหมือนเป็นเหมือนยาเสพติดมันให้ความสุขขณะที่เสพแต่มันไม่ให้ความอิ่มมันจะให้ความหิวอยู่เรื่อยๆซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวก็อยากจะซื้อใหม่อีก ซื้อมาได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้าเราลองไปทำบุญทําทานดูสิทุกครั้งที่เราอยากเรารู้สึกหิวอย่าไปซื้อยาเสพติดอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟมือยอย่าไปซื้อของไม่จำเป็นอย่าไปเที่ยวไปกินไปดื่มตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเอาเงินเหล่านี้มาทำบุญทําทานดูแล้วรับประกรันไดว้ว่าเราจะเริ่มรู้สึกว่ามีความอิ่มขึ้นมาในใจ แล้วความหิวในกับยาเสพติดทั้งหลายมันก็จะค่อยลดลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราอยากจะเสพยาเสพติดของใจคืออยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอยากจะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังนเอาเงินที่จะไปใช้กับสิ่งเหล่านี้มาให้กับการทําบุญทําทานไปซื้ออาหารของใจมาบุญนี่แหละเป็นอาหารของใจทําบุญทําทานแล้วใจจะมีความรู้สึกอิ่มขึ้นมาแล้วต่อไปรับประกันได้ไม่หิวจะไม่หิวกับ ของฟุ่มเฟือยต่างๆมีของใช้ก็ใช้เท่าที่มีเท่าที่จําเป็นต้องมีก็พออย่าไม่ฟุ่มเฟือยจะไม่ฟุ่มเฟือถ้ามีรองเท้าใช้ได้อยู่แล้วก็ถึงแม้จะเห็นรองเท้าสวยขนาดไหนก็ไม่มีความอยากจะซื้อใหม่จะซื้อใหม่ก็ต่อเมื่อรองเท้าเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วเช่นเดียวกับเสื้อผ้าก็เหมือนกันเสื้อผ้าจะถ้ามีเสื้อผ้าพอเพียงแล้วก็จะไม่มีความหิวความอยากที่จะไปซื้อเสื้อผ้าอะไรมาเพิ่ม ถึงแม้จะไปเห็นเสื้อผ้าที่สวยงามที่เขาขายอยู่ตามร้านเขาจะไม่มีความรู้สึกอยากได้แต่อย่างใดถ้าใจได้ทําบุญทําทานอยู่อย่างสม่ําเสมอใจได้รับอาหารของใจอย่างอย่างถูกต้องแล้วใจจะไม่หิวไม่โหยกับสิ่งต่างๆที่ไม่จําเป็นเลยไม่หิวไม่โหยกับ ของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่หิวไม่หยกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายไม่หิวหวยกับการไปเที่ยวกับการไปดูการฟังละครอะไรละครหรือการแสดงอะไรต่างๆใจจะรู้สึกอิ่มเฉยๆอยู่บ้านก็มีความสุขนี่แหละคืออาหารของใจถ้าเราอยากจะให้ใจเราอยู่อย่างอิ่มอิ่มมีพีมันพยายามทำบุญทาทานไปเรื่อยๆ ร, รับประกันได้ว่า ใจจะไม่ค่อยมีความหิวความอยากกับของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่มีความอยากที่จะไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะชนิดต่างๆทําทให้ใจอยู่อย่างสุขอย่างสบายได้คนที่ยังต้องเสบรูปเสียงกลิ่นรสอยู่คนที่ต้องอ ง, องซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่ต้องอยู่แบบรู้ล้าอยู่เวลาที่เกิดมีสภาพที่ไม่ไม่สามารถไปเสบได้นี่จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาใครซื้อของฟุ่มเฟือย พออยากจะซื้อแล้วไม่มีเงินให้ซื้อเนี่ยมันก็จะรู้สึกบุญยิดลำคาญใจขึ้นมาเคยได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพอไม่มีเงินไปเที่ยวขึ้นมาก็ก่อความเครียดขึ้นมาทันที mm. นี่คืออาหารของใจถ้าอยากจะให้ใจเราอยู่อย่างอย่างไม่หิวโหวยมันทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆ mm. ข้อที่สองคือปัจจัยสี่ข้อที่สองของใจคืออะไรก็คือเสื้อผ้าผา่อน เสื้อผ้าพรอนของใจคืออะไรก็คือศีนนี่ศีนนี่แหละคือเป็นเครื่องนุ่งห่มของใจเครื่องนุ่งห่มนี้จะมีไว้ปกป้องภัย<ม>เราใส่เสื้อผ้าไว้ปกป้องภัยจากอากาศหนาวเย็นของร่างกายหรือแมลงสา์กัดต่อยเราก็ต้องมีสิ่งที่มาปกป้องใจไม่ให้มีสิ่งที่เป็นภัยต่อใจมาคุกคามมาสร้างความทุกข์ให้กับใจ สิ่งที่จะมาทําให้ใจทุกข์ก็คือการกระทําบาปนี่ <Okay. S 1> เพราะเวลาเราทําบาปแล้วใจเราจะทุกข์ uh huh. แล้วก็จะทำให้เราต้องไปรับผลบาปเวลาตายไปใจเราจะต้องไปเกิดในอบาย uh huh. ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตเป็นอสูรละกาหรือไปตกนรก uh huh. เพราะไม่มีศีลไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีเสื้อผ้าของใจ ถ้าเราอยากจะป้องกันใจไม่ให้ถูกภัยเหล่านี้คุกคามเราก็ต้องรักษาศี่ห้ากันให้ได้ละ ก, การกระทําบาปห้าข้อด้วยกัน ข, ข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่สองไม่รักทรัพย์ข้อที่ 2, สาไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่นอกไมนก่นอกใจสามีภรรยาของตนไม่ไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นแล้วก็ไม่โกหกหลอกลวงแล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเมา การดื่มสรายาเมานี้จะทำให้ทําบาปได้ง่ายถึงแม้การดื่มเองไม่ได้เป็นการกระทาบาปโดยตรงแต่พอเกิดดื่มุรายแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมา mm. ก็จะห้ามใจเวลาที่ใจคิดจะไปทําบาปไม่ได้ mm. ก็จะไปทําบาปได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าเวลาไม่ได้ดื่มชรายาเมาวเวลาไม่มึนเมามีสติวัคเประคองใจเวลาใจคิดอยากจะไปทาบาปก็จะ สามารถยับยั้งความผิดนั่นได้ <Yeah. S 2> ยังต้องมารวมอยู่ในศีลห้าด้วยบาปจริงๆนี่มีอยู่สี่ข้อคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปลด <Yeah. S 2> แต่ถ้าเดือดชราแล้วมันก็มักจะไปทําบาปได้ง่าย <Yeah. S 2> เช่นคนที่ไม่เดือดชรากับคนที่เดืมดชราคนคนเดียวกันเนี้จะกลายเป็นคนละคนไป เวลาไม่ดื่มชรานี้จะมีอาการสุภาพเรียบร้อย<ม>พูดดีทําดี<ม>แต่พอเกิดอาการมึนเมาขึ้นมานี่กลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยกลายเป็นคนหยาบคายพูดไม่ดีทําไม่ดี<ม><ม>ถ้าเราไม่อยากที่จะมีทุกข์ที่เกิดจากจากการทําบาปเราก็ต้องรักษาศีลกันป้องกันศีลเป็นเหมือนเสื้อผ้าอผา่อ์ป้องกันภัยเหมือนกับเสื้อผ้าอผ่อ์ของร่างกาย ป้องกันภัยที่จะมาคุกคามทางร่างกายเราก็ต้องมีศีลไว้ป้องกันภัยที่จะมาคุกคามทางใจถ้ามีศีลแล้วเราจะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเกิดในระบายถ้าไม่ได้ทําบาปแล้วรับประกันได้เวลาตายไปไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เนราฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นนสุลกายไม่ไปตกนรกนี้ก็คือปัจจัยข้อที่สองของของใจปัจจัยสี่ข้อที่สองของใจก็คือเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนุ่นผมก็คือศีแล้วนอกนอกจากป้องกันภัยแล้วสีนี่แหละเป็นเป็นเครื่องประดับที่สวยงามของร่างกายเหมือนกับราวๆที่เราใส่เสื้อผ้าที่สวยงามนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้ยเราเป็นคนสวยงามขึ้นมาหล่อเหลาขึา้นมาทันทีอันใดถ้าเรามีศีลเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่สวยงามขึ้นมาทันทีเพราะคนเป็นคนที่มีสีลนี้เป็นคนที่ไม่มีใครเขาลังเกียจถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะ อยู่กับใครที่ไหนเ็ายินดีต้อนรับเราเสมอ<ม>แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนใจบาปถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนใจบาปชอบลักทรัพย์ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบประพฤติผิดประเพณีชอบโกหกหอกลวงนี้เขาไม่อยากจะอยู่กับเราด้วยไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราด้วย<ม>เพราะเป็นคนที่ไม่สวยงามทางด้านจิตใจจิตใจไม่สวยงามถ้าจิตใจทาบาปแต่ถ้าจิตใจมีศีลไม่ทาบาปก็จะเป็นจิตใจที่สวยงาม อยู่กับใครก็มีแต่คนรักคนชอบความยินดีนี่แหละคือเสื้อผ้าผรของใจก็คือการรักษาศีลน่าและส่วนที่อยู่อาัยของใจคืออะไรที่อยู่อาัยของใจก็คือที่หลบหลบภัยของใจภัยของใจคืออะไรก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนั่นเองเวลาใจเรามีความทุกข์ความวุ่นวาย ถ้าเราไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้แต่ถ้าเรามีที่อยู่อาศัยที่ลดลภัยเวลาที่เกิดความทุกข์ใจเราก็หลบเข้าไปที่อยู่อาศัยของใจที่อยู่ของที่อยู่อาศัยของใจคืออะไรก็คือสมาธินี่การทําใจให้สงบนั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าเราฝึกสมาธิบ่อยๆเราสามารถทําใจให้สงบตามเวลาที่เราต้องการได้ เวลาที่เกิดความทุกข์ใจเกิดความวุ่นวายใจเกิดความเครียดกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรดีเราก็หลบเข้าบ้านก่อนหลบเข้าไปในบ้านใจเข้าไปในสมาธิพอเราเข้าไปในสมาธิพอใจสงบปั๊บความทุกข์วุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปชัว่วคราวอันนี้คือที่อยู่อาศัยของใจเหมือนกับที่อยู่อาศัยของร่างกาย แต่เวลามีฝนตกขึ้นมาเราก็ต้องรีบหาที่หลบฝนทันทีเข้าบ้านทันทีเวลาฝนตกหรือเวลามีอากาศร้อนมากหรือเวลามีภัยอะไรต่างๆเราก็ต้องหลบเข้าบ้านของเราพอเราหลบเข้าไปในบ้านแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความปลอดภยัยความทุกข์ความอะไรต่างๆก็จะไม่สามารถเข้ามาคุกคามร่างกายของเราได้ชั้นใดใจของเราก็เหมือนกับร่างกาย เวลาที่เราออกมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆรับรู้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็อาจจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้เกิดความวิตกเกิดความกมังวลเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ถ้าเราอยากจะระงรับความเครียดความฟุ้งซ่านอันนี้เราก็หลบเข้าไปในบ้านของใจก็คือเราต้องเข้าไปในสมาธิถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ต้องมาสร้างบ้านกันสร้างสมาธิกันด้วยการมาฝึกฝนอบรม มาอยู่วัดครั้งละวันสองวันสามวันบ้างมาฝึกสติมานั่งสมาธิทําใจให้สงบกันเตรียมตัวไว้ก่อนสร้างบ้านไว้เพื่อป้องกันภัยถ้าเราเกิดภัยแล้วเราไม่มีบ้านเราจะไม่ไม่มีที่หลบภัย <Yeah. S 2> แต่ถ้าเราสร้างบ้านไว้ล่วงหน้าแล้วพอมีภัยเกิดขึ้นมาพอฝนตกเราก็หลบเข้าบ้านได้พอเกิดเราก็มีภัยจากสิ่งจาก จากสัตว์หรือจากบุคคลที่ที่ไม่ดีเราก็หลบเข้าบ้านได้แต่ถ้าเราไม่มีบ้านเราก็จะไม่มีที่หลบดังนั้นถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ควรที่จะมาฝึกสมาธิกันมาฝึกนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนตน์แล้วก็นั่งดูลมหายใจเขาออกก็ได้บริกรรมพุทโธก็ได้ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเวลาเวลาที่เรามีปัญหาความเครียดทางใจแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเราก็มาเข้ามา หลในสมาธิก่อน<ม>จะใ จ, จเราจะได้เย็นใจใจเราจะได้สบายอัน<ม>นี้ก็คือที่อยู่อาศัยของใจนี่<ม>คือสมาธิแล้วข้อสุดท้ายปัจจัยสี่ข้อสุดท้า ย, ข, า ย, ข, ายข้อที่สี่คื อ, อยารักษาใจ<ม>อะไรก็คืออะไรที่จะมารักษาใจเราให้หายจากความทุกข์ต่างๆได้สมาธินี้รักษาไม่ได้สมาธิให้เราหลบดบภัยได้ทําให้ความทุกข์ใจทั หายไปชั่วคราวได้แต่เวลาออกจากสมาธิมาความทุกข์ใจก็จะกลับมาได้อีกถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์ใจนี้หายไปอย่างถาวรเราต้องใช้ใช้ยารักษาโรคของใจยารักษาโรคของใจก็คือปัญญานี่ <S <S 1> <S 1> <S เราต้องเราต้องมีปัญญาความรู้ความรู้ที่จะค้นหาสาเหตุว่าอะไรเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์ใจต่าง ก็คือความรู้ในอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่พอไม่ได้เป็นก็ทุกข์ขึ้นมาพอไม่ได้สิ่งที่อยากจะได้ก็ทุกข์ขึ้นมาอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสพอไม่ได้เสพก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะหายทุกข์ไม่ต้องมาทุกข์ก็เพียงแต่หยุดความอยากเท่านั้นเองสอนใจว่าอย่าไปอยากเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปอยู่ดีเพราะมันหมดไปมันก็จะทําทให้เราเศร้าทําให้เราทุกข์อยู่ดี mm hmm. งั้นเราอย่าไปอยากดีกว่าอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจของเราได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ทางใจของเราได้อย่างแท้จริงก็คือการหยุดความอยากนี้ทั mm ้งนเองพอเราเข้าใจหลักนี้แล้วต่อไปเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็ย้อนกลับมาดูที่ใจเราเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เรากําลังอยากได้ อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้แล้วก็หยุดบันท่นเองไม่ได้ก็ไม่เอาก็ได้ก็คิดแค่นี้ก็จบเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรมาติดตัวกับเรามาเวลาตายไปเราก็เราไปไม่ได้อยู่ดีแล้วเราอยากจะไปได้ของต่างๆมาทำไมแล้วเวลาไม่ได้ก็มาทำให้ใจเราทุกข์ไปเปล่าๆอันนี้คือปัญญาปัญญานี่แหละปัญญาที่จะรักษาโรคภัยโลกของใจคือความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไป โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิโดยต้องต้องรู้ว่าเวลาเกิดความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของใจอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้เราก็ไม่เป็นไปตามความอยากของเราก็ทุกข์ใจเศร้าใจกิดไม่ได้นอไม่หลับเทียบแต่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่ายไปอยากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาจะเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเขาเป็นไปก็จบไ ม, ไม่มีปัญหาตรงไหน เดี๋ยวนายที่สุดก็ตายกันทั้งหมดเขาก็ตายเราก็ตายไปอยู่ดีมาทุก์กับเรื่องที่เป็นของชั่วคราวทาไมไม่มีใครอยู่คำฟาอย่าไปหวังอะไรจากใครเพราะว่าสิ่งทีงเราได้จากเขาก็เป็นของชั่วคราวดี่ยงเขาก็ตายจากเราไปหรือไม่ใช่นั้นเราก็ต้องตายจากเขาไปอยู่ดีแต่เราจะไปทุก์ไปต่อเราจะทุก์ไปตลอดแล้วความอย่างนี้มันจะพาให้เราต้องกลับมาเกิดต่อไปอีก กลัมาอยากในสิ่งเดิมๆอีกแล้วก็มาทุกกับสิ่งเดิมๆอีกไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราใช้ปัญญาตัดความอยากได้หยุดความอยากได้เมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาเจอกับไม่ต้องมีร่างกายที่จะต้องมาเลี้ยงดูไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ต้องมาเจอปัญหาต่างๆที่เรากําลังเจอกันอยู่ในขณะนี้การไม่มาเกิดนี่แหละเป็นการที่ดีที่สุด และการที่จะไม่มาเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากต่างๆการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีปัญญา<ม>เห็นว่าเหตุที่พาให้เรามาทุกข์ให้เรามาวุ่นวายใจกันก็คือความอยากต่างๆของใจนี้พอหยุดความอยากต่างๆได้ปัญหาต่างๆก็จะหมดไปใจก็จะอยู่อย่างสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจต่อไป ร่างกายก็อยู่ไปตามอัตภาพเลี้ยงมันไปตามอัตภาพจนกว่ามันจะตายไป mm hmm. นี่ก็คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมาศึกษามาเรียนรู้และมาสร้างที่พึ่งทางที่พึ่งของชีวิตกัน mm hmm. ที่พึ่งทางร่างกายด้วยปัจจัยสี่ของร่างกายและที่พึ่งทางใจด้วยปัจจัยสี่ของใจคือทานศีลสมาธิและปัญญาถ้าเรามีที่พึ่งครบทั้งสอง สองส่วนแล้วส่วนนั่งกายก็มีส่วนใจก็มีเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของนั่งกายแต่ใจก็ยังอยู่สุขสงบต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปาลิปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัตชีตังตุมหังทิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยะธามะนีโชติอระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชฌันโตสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตะวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุทฒาปะจายโน ชาตาโรทา ม, มาวาตันเตอายุวานโอสุขังฮาลาลดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบทางถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ครั น, นี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุศจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติ436ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 324 YouTube Dr. V 43วิทยุออนไลน์12 Club House 5นักกุศ110รวมทั้งหมด930ท่านค่ะเอาเลยต้องออกไปเสียงยังไม่ได้ยินยไปใกล้ๆเลยนะครับโยม เหมือนผู้กไกล่เกลี่ยนะฮะพอดีโยมชอบมาได้เห็นใครตําหนิพระใรหร้รวิจารณ์พระโยมก็จะไปอธิบายมันมีคําถามหนึ่งโยมตอบเพื่อนแล้วมันไม่คี้แล้วเขาเหมือนเขาเห็นออตามาหาบัวยกตัวอย่างนะคะเหมือนแบบว่าไม่ต้องยกตัวอย่างค่ะเหมือนแบบว่าเ อ, อพระองค์นี้เรียบร้อยจังองค์นี้ไม่เรียบร้อยจังเหมือนท่านศรัทธาพระอาจารย์วัะวันหนุภามากะ พูดคำเดียวเองว่าให้ภาวนาพุโทโธขึ้นลดไปร้องไห้สัตวพทามากปื้มแค่พระอาจารย์พูดแค่คําคําเดียวแต่กลับไปเจอพระอริยสงฆ์บางองค์ซึ่งจะแบบกูมึงว้อยวะทาไมท่านไม่เรียบร้อยทําไมท่านทําไมท่านมีกิริยาแบบแบบนี้ทำไมไม่ไม่เรียบร้อยกิริยามันไม่ได้เป็นกิเลสค่ะไม่จำไม่จำเป็นจ ะ, จะต้องไปกแก้กิริยาค่ะ การปฏิบัติให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี้ให้แก้ที่กิลเลสการโลภความโกรธความหลงค่ะแต่ไม่ต้องมาแก้กิริยาบางคนก็เป็นคนกิริยาที่เรียบร้อยบางคนก็เป็นคนเ อ, อ้วสนุกสนานเฮฮาไม่สำรวมอะไรอย่างเงี้ยะอันนี่ไม่ไม่เป็นกิลเลสไม่เป็นเพชรเป็นไทยของไทยที่คนเราไม่เข้าใจไงคที่ว่าการจะเป็นพระอรหันต์ี่ต้องเป็นเหมือนพระพุทธรูปนั่งนิ่งเฉยเรียบร้อยเป็นท่าพับไม่ใช่หรอก เขาเข้าใจผิดเขาไม่รู้เขายังไม่ได้ศึกษาถ้าทุกคนค่ะเอาถึงบางทีก็ไปประมาทครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่สำรวมที่จะเลี่น้อยใช่แล้วก็อย่าไปสนใจวิธีการที่ดีสุดก็คยอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นถ้าเราอยากจะเรียบร้อยให้คนอื่นเรียบร้อยก็ทําตัวให้เราเรียบร้อยซะก่อนไปยมไม่ได้สนใจแต่เป็นเพื่อนสนิทล้วอยู่ใกล้โยมมากแล้วยมก็เป็นห่วงยมก็ขเขาไปค่ะแต่นิยมก็จะเอาคําพูดของวิจารย์ไปบอกเขาเพราะเขาศรัทธา เวลาเขาฟังเขากค่ะโยงก็จะไม่โยงเรื่องของใครแต่เป็นโยงแค่ก็อยากได้คําตอบจากพระอาจารย์โยงนี้ไปตอบเขาค่ะบางคนเป็นพระขี่ริ้วห่อทองใช่หลวงปูเดียวนี่หลวงตาบอกเป็นพระขี้ริ้วแต่โยมกิริยาท่านค่อนข้างที่จะแบบว่าชาวบ้านชาวบ้านไม่เรียกว่าเหมือนเหมือนพระในเมืองค่แต่ในใจท่านมีแต่ธรรมะล้นล้นไม่มีกิเลสค่ะ งั้อย่าไปดูที่คืออยาใช่ดูที่ธรรมะคําสอนของท่านใช่อย่าไปดูผ้าห่อไปดูทองว่ามันทอ ง, ทองหรือห่อขี้บางทีผ้าสวยแต่ห่อขี้ใช้ใจง <laughs> คงอะอผ้าขี้หรือห่อทองดีกวผ้าสวยห่อข <laughs> ี้โ อ, โอเคถ้าเจอ คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุดค่ะความกตันยูคืออะไรคะถ้าบางอย่างที่ผู้มีพระคุณต้องการจากเราทำให้เราเป็นทุกข์เราไม่ทำให้เราเป็นบาปหรือไม่คะคือความกตันยูตัแต่เวทีนี้เป็นสองสองอย่างกตันยูแปลว่ารู้บุญรู้คุณของผู้อื่นเช่นรู้ว่าคนนี้เขาเคยทำประโยชน์ให้กับเราช่วยเหลือเรา คือไม่ลืมบุญคุณของคนที่เขาทำความดีให้กับเราเรียกว่ากตังยูส่วนกระตังเวทีคือการตอบแทนบุญคุณการตอบแทนบุญคุณก็เราก็สามารถดูว่ามันเหมาะเ ม, ม, มื่อไหร่เหมาะสมเมื่อไหร่สะดวกเมื่อไหร่เราพร้อมเมื่อไหร่ถ้ า, ายังไม่พร้อมก็ยังอาจจะไม่สามารถตอบแทนบุญคุณได้ ก, กไ็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีไม่มีความที่คิดยาตอบแทนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทาได้ ก็ไม่ถือว่าเป็นการการขัดความกระตันอยู่ยังมีความทำนึกในบุญคุณก็อยู่ทีงแต่ว่าอาจจะทําในสิ่งที่เขาอยากให้เราทําไม่ได้เช่นเขาอาจจะขอร้องให้เราไปโกหกหลอกลวงใครอย่างนี้แต่เรารักษาศีลห้าเราก็เราก็ทำไม่ได้ถึงแม้เขาจะมีพระคุณกับเราแต่เราก็ต้องสมควนการตอบแทนด้วยวิธีนี้ขอตอบแทนด้วยวิธีอื่นดีกว่า อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการไม่มีความกตัญญูก็ต่เวทีมีอยู่เพียงแต่ว่าบางครั้งบางเวลาบางโอกาสอาจจะไม่สามารถทำตอบแทนบุญคุณเขาได้คำถามจะพูดแล้วฟังนะกุศค่ะการที่พ่อแม่รับไม่ได้ กับลูกที่ชอบพอกับคนเพศเดียวกันและบอกว่าสิ่งที่ลูกทำให้ท่านนั้นเกิดทุกข์มากเหมือนว่าเรากำลังทำบาปกับท่านแบบนี้ในฐานะลูกทำอย่างไรดีคะไม่หลอกความทุกข์ของท่านเกิดจากความอยากของท่านเองท่านอยากให้ลูกเราเป็นเพศตามที่ร่างกายเป็นพอร่างกายพอใจไม่ได้เป็นเพศตามที่ร่างกายเป็นเขาก็ผิดหวังเขาก็เสียใจอันนี้เป็นโทษของเขาเป็น เป็นกรรมของเขาที่ไม่ยอมรับความจริงว่าคนเรานี้มีสองส่วนมีร่างกายและก็มีใจร<ม>่างกายอาจจะเป็นหญิงแต่ใจอาจจะอาจจะเป็นชายก็ได้<ม>เขาไม่ยอมรับส่วนนี้ก็เลยทําให้เขาทุกข์ใจขึ้นมามแต่ถ้าเขายอมรับได้ว่าเ อ, อคนเรามันมีสองส่วน<ม>เลือกไม่ได้<ม>บางทีใจเป็นชายแต่มาได้ร่างกายของผู้หญิงอย่างเงี้ยก็จะมาให้ทําตัวเป็นผู้หญิงก็ทําไม่ได้เพราะเขาเป็นชายอ นั้นก็อย่าไปถือโทษกดขึงว่าเราต้องเข้าใจความความจริงของชีวิตว่ามันเป็นอย่างนี้ชีวิตของเรามีสองส่วนมีร่างกายและกับมีใจบางครั้งร่างกายกับใจมันตรงกัน้าโอเคไม่มีปัญหาใจเป็นชายร่างกายเป็นชายาก็ไม่เป็นปัญหาใจเป็นหญิงร่างกายเป็นหญิงก็ไม่เป็นปัญหาแต่พอใจเป็นชายร่างกายเป็นหญิงขึ้นมานี่ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติความจริงของชีวิตของเราว่าเรามีสองส่วนด้วยกันนะ แล้วเราต้องยอมรับส่วนที่สําคัญกว่าก็คือใจใจนี่แหละเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆถ้าใจเป็นผู้ชายมันก็จะสั่งให้ร่างกายทําตัวเป็นเหมือนผู้ชายชจะให้ใส่จะให้ทําผมยาวให้ทาเล็บให้ทาปากมันทาไม่ได้มันสวนใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าอย่างไงเขาก็เป็นลูกเราอยู่แล้วดีชั่วไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเป็นเป็นเพศนั้นหรือเป็นเพศนี้ มีเชื่ออยู่ที่เขาทําบุญหรือทำบาปตา่างหากงั้นให้เราดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาทาบุญหรือทำบาปถ้าจะรังเกียจเขารังเกียจว่าเขาทำบาปจะดีกว่ า, วานี่อก็ไปรังเกียจที่เขามีใจกับร่างกายไม่ตรงกันคําถามจากผู้รับฟังน้ากูดค่ะอยากทราบว่าการส่งเสริมดวงชะตาให้เราโชคดีหรือดวงดีด้วยวัตถุมงคลหรือเลขมงคลไม่มีจริงใช่ไหมคะเป็นแค่การกระทํา เป็นแค่การทำให้เรารู้สึกสบายใจเท่านั้นใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าบอกว่าดีชั่วอยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทำของเราทำบุญมันก็จะดีไปเรื่อยๆทำบาปมันก็จะชั่วไปเรื่อยๆ <c oughs> คำถามจะพูดรับฟังน้ากุดค่ะข้าพเจ้าอยากประสบความสำเร็จเพื่อจะได้สามารถดูแลพ่อแม่ได้อย่างดีแต่หลายคนบอกว่าต้องเก่งและโชคดีด้วยคำว่าโชคดีนี้คือโชควาสนาที่เกิดจากการสะสมบลจากอดีตหรือไม่คะหรือจริงๆแล้วเราเก่งมันเพียรฝึกฝนอย่างเดียวก็พอคะคือการจะสําำเร็จอะหลายทางโลกด้านนี้มันมีหลายปัจจัยด้วยกันความสามารถของเราเก็ดีโอกาสก็ดี สิ่งแวดล้องก็ดีมันเป็นโรคที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้นแน่นอนบางทีเราอยากจะเป็นเกยอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้คนที่ไม่อยากจะเป็นเขากลับได้เป็นก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งมั่นว่าจะต้องได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราต้องยอมอเราต้องมองให้เห็นว่าโรคนี้เป็นโลกอันนี้จังไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้หรือบางทีได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปก็มีม ให้มองว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับม่ได้มันเป็นอนัตตาเป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเราไม่สามารถไปควบคุมสั่งให้ฝนตกแดดออกได้ฉันได้เราก็ไม่สามารถไปสั่งว่าเราจะต้องสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาได้เสมอไปข้อสําคัญก็คือขอให้เราทําให้เรามีความพยายามทำไปตามหน้าที่ของเราก็พอได้ก็ดีไม่ได้ก็ยงังต้องยอมรับ ว, ว่ามันไม่ได้ กทงนนั้นเอคำถามจะพูดรรบฟังนะกุดค่ะเหตุใดที่ดินที่อยากขายจึงยังขายไม่ได้สักทีคะเพราะมันแพงหรือ <c oughs> ไม่ได้คนอยากจะซื้อ <c oughs> ถ้าลองแจกฟรีดูวย <c oughs> บาทนึงลลยระบาดอย่างนี้เ <c oughs> ดีย๋ยวแยกกันมาอาจองมันเต็มไป ห, หมดเลยคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ผมมีเรื่องจะขอกรุณาสอบถามพระอาจารย์ครับข้อที่หนึ่งบ้านผมมีกุมารทองสามองค์โดยพ่อกับแม่บอกว่าเป็นพี่ๆของผมที่แม่แทงไปความจริงแล้ววิญญาณพวกพี่ผมเขาจะมาอยู่ในกุมารทองได้ไหมครับถ้าไม่ได้ไม่ได้ทำพิธีกรรมเรียกวิญญาณอะไร ข้อที่สองพอขายบ้า น, านเก่าค่ะ ข, ข้อเดียวลืมเรื่องกุมารทองนี่เราไม่รู้เราตอบไม่ได้นะเอนมีจริงก็ไม่มีจริงส่วนใหญ่ก็เป็นความเชื่อสียมากกว่าข้อที่สองพอขายบ้านเก่าก็แยกย้ายกันไปไม่มีใครเอากุมารทองสามองค์นี้ไปผมก็เลยรับมาพระสงสารจนผ่านมาหลายปีแล้ว ผมไม่รู้ว่าควรจะเก็บกุมารไว้ต่อหรือควรเอาไปไว้ที่วัดดีครับอย่าไปไว้ที่วัดวัดไม่ใช่เป็นที่ทิ้งขยะพอไม่ต้องการอะไรก็จะไปทิ้งที่วัดพระพุทธรูปแขนหักก็ไปส่งมาที่วัดอะไรเสียหน่อยก็ไปที่วัดเของให้ดีเก็บไว้ที่บ้านบาปรู้ไหมทำเงี้ยบาปไปทําวัดท่ากลายเป็นที่ทิ้งขยะเลย ค่ะคำถามจากทาง u t u b e ค่ะพระอยากกราบเรียนถามเจ้าค่ะเราจะใช้อุบายอะไรเจ้าค้าที่จะสามารถแยกกายกับจิตเพื่อลดเวทนาทางร่างกายเ้าฝึกสมาธิไงานั่งสมาธิแล้วจิตสงบจิตกับร่างกายก็จะแยกออกจากกาันแล้วความเจ็บของร่างกายก็จะไม่มาสะเทินใจใจก็จะรู้สึกรับรู้ได้แต่ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายได้ พยายามฝึกสมาธิให้มากสมาธินี่เป็นสิ่งที่วิเศษดีกว่ายาต่างๆที่เราซื้อมากินอยาคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะการแผ่บุญแผ่เมตตาให้กับภพบภูมิทำได้จริงไหมครับและตั้งจิตอย่างไรครับการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทากับบุคคลที่เราพบปะ ไม่ใช่ไปแผ่ให้กับดวงวิญญาณที่อยู่สวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้แผ่ไม่ได้ต้องแผ่กับคนที่เราพบปะกันแล้วถ้าเป็นดวงวิญญาณก็ต้องเจอเขาเช่นผีมาหาเราเฮ้เราก็ต้องแผง่เมตตาเราก็ต้องต้อนรับเขาไม่ใช่ขับไล่เขาเ้ยไปไปไปยินดีต้ น, นับถามสารทุกข์สุขดิบเป็นไงสบายดีหรือขาเหรืออะไรอยากให้ช่วยหรืออะไรอย่างนี้แผ่เมตตา ไม่ว่าจะเป็นกับดวงวิญญาณก็ดีด้วยกับคนก็ดีกับสัตว์เดรัจฉานก็ดีต้องแผ่ด้วยการกระทาต้องเจอหน้ากันต้องพบปะกันแล้วก็ส่งความสุขให้ต่อกันในเรื่องการแผ่เมตตา ทำสังทาง Facebook ค่ะในขณะที่เพียรพยายามมีสติรู้ในชีวิตประจําวันลูกมีหลงบ่อยมากพอรู้ทันก็กลับมารู้ตัวในขณะที่รู้ตัวนั้นจําเป็นต้องไปแยกแยะมันไหมคะว่าหลงไปในรูปหรือในนามหรือเหตุอะไรแต่ยิ่งพยายามรู้มันยิ่งเห็นว่าหลงเยอะไปหมดเลยเจ้าค่ะรู้สึกว่าวาวุ้นมากวาวุ้นมากกว่าเดิมทํำยังไงดีคะบางครั้งมงงว่าจุดที่กิ มาจะรู้ตัวนั้นอยู่ตรงไหนเนะขอพระอาจารย์เมตตาหากมีประการใดผิดพลาดขอพระอาจารย์อภัยลูกนะเจ้าคะ่ะาการฝึกสตินี้ให้เรารู้อยู่เรื่องเดียวเช่นรู้กับคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปพ อ, อถ้าเราลืมไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเรารู้สึกตัวเราก็ดึงกลับมาที่พุทธโธไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้จะกลับมาอย่างไงไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สำคัญให้สําคัญให้เรากลับมาอยู่ที่พุทธโธให้ได้เท่านั้นเอง พอพุโทโธหายก็ต้องคว้าพุโทโธกลับมาให้ได้ให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วจิตเราจะนิ่งจะสงบคำถามจากทางเฟซบุกค่ะยมขอสอบถามค่ะพระอาจารย์ยมปฏิบัติแนวทางที่พระอาจารย์สอนถ้าลูกอยากออกบวชแต่ไม่ต้องไปอยู่วดัดแต่สร้างบ้านหลังเล็กๆถือศีลแปด ไว้ปฏิบัติได้ไห้เจ้าคะพระอาจารย์ลูกเริ่มเบื่อทางโลกแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้ต้องส่งลูกเรียนอีก7ปีอยู่เพราะหน้าที่รับผิดชอบแต่ใจฉจบวชค่ะพระอาจารย์คือมันอยู่บ้านมันก็ปฏิบัติได้แต่มันมีปัญหาเรื่องเลี้ยงดูร่างกายเนี่ยมันจะเลี้ยงดูยังไงถ้าไม่ทํางานทําการแล้วเงินไม่พอก็อยู่มันก็ต้องออกไปทํางาน ใ, ห ม, ใหม่แต่ถ้าไปบวชแล้วก็อาศัยการเลี้ยงดูของผู้อื่นเช่นเป็นแม่ชีหรือเป็น เป็นพระนี่ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีคนก็ยินดีที่จะทําบุญด้วยไม่ต้องขอัวทำไปทาบุญไปถึงวันแก่วันตายของเราเลยแต่ถ้าเราอยู่บ้านนี่เราต้องเลี้ยงดูตัวเราไปตลอดแล้วถ้าเงินทองไม่มีแล้วใครจะมาเลี้ยงดูเราได้ยัง<ม>ถ้าอยากจะเป็นอยู่แบบนักบวชก็ต้องไปบวชกันดีที่สุด<ม>คําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ พ่อแม่เป็นเช่นไรลูกจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่เจ้าคะไม่จําเป็นพ่อเป็นหมองลูกเป็นขโมยก็มีมันไม่เกี่ยวอะไรเรื่องพฤติกรรมของแต่ละคนคนชั่วมันเกิดมามันก็ทําชั่วต่อคนดีเกิดมาก็จะทําทดีต่อแต่เปลี่ยนได้คนดีอาจจะเปลี่ยนไปทําชั่วก็ได้ถ้ามีเหตุการณ์บังคับหรือคนคนชั่วกลับมาทำความดีก็ได้ถ้ามีเหตุการณ์เชือ้อเชิญหรือผลักดันมันไม่แน่ แต่ถ้าไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงมาผลักดันมันก็จะทําตามนิสัยเดิมเคยรักขโมยมันก็จะมารักขโมยต่อเคยขยันเรียนหนังสือมันก็จะมาขยันเรียนหนังสือต่อมันเป็นเรื่องนิสัยที่ติดตัวมากับใจคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการที่เราเป็นผู้นํากล่าวตักเตือนลูกน้องโดยไม่ได้ใช้อารมณ์แต่เขาไม่ยอมรับแล้วโกรธที่ถูกตักเตือนเราควรปฏิบัติอย่างไรคะ เราเฉยๆไปเราห้ามเขาไม่ได้เราทําตามหน้าที่ของเราก็แล้วกันเพราะถ้าเราไม่ทําตามหน้าที่แล้วอาจจะถูกตบบําเนธบกพร่องได้ถูกลงโทษได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ตักเตือนก็ตักเตือนไปแล้วถ้าเกิดมีการมาไล่เบีย้ยกันเขาก็จะรู้ว่าเราไม่ได้บกพร่องในหน้าที่ของเราเขาก็ hmm. จะไปไล่เบี้กับคนที่ไม่ไม่เชื่อฟังเรา คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะขณะที่เราป่วยและได้รับความเจ็บปวดเราจะแยกกายกับจิตอย่างไรขอรับก็แยกด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งสงบแล้วจิตก็จะแยกออกจากร่างกายโดยอัตโนมัติแล้วจิตก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ภาวนาแล้วเห็นแสงสว่างแล้วทํำยังไงต่อครับพระอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรก็ภาวนาต่อเวลาภาวนาต้องมีพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆถ้าใช้พุโทโธหรือถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปเรื่อยอย่าทิ้งงมอย่าทิ้งพุโทโธไม่ว่าอะจรจะโผล่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่เราต้องการก็คือความนิ่งความสงบของใจถ้าใจยังไม่นิ่งไม่สงบยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อยู่ก็พุโทโธต่อไปหรือดูลมหายใจต่อไป คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะเวลานั่งสมาธิจะรับรู้ได้ถึงการเต้นของหัวใจรับรู้ชีพจรตนเองผิดทางไหมเจ้าคะจะต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไรเจ้าคะไม่ผิดหรอกถ้าเราไม่ไปสนใจให้เราสนใจกับรับรู้อยู่กับลมหายใจหรือรับรู้อยู่กับพุโทโธถ้าไปรับรู้กับเรื่ององื่นก็ถือว่าผิดนะคำถามจากทางเ c e b o o k ค่ะการแผ่เมตตาเหมือนการอุทิศส่วนกุศลหรือไม่เจ้าคะ การแผ่ต้องเป็นการกระทําส่วนการอุทิศนี้ไม่ต้องไม่ใช่เป็นการกระทําเป็นการเป็นการอุทิศเป็นการนำลึกภายในใจใช่เวลาเราทําบุญเสร็จแล้วเราก็ระลึกภายในใจขอส่งบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้แต่การแผ่เมตตานี้เราต้องเจอกันเจอกันแล้วก็ทักทายกันท า, ทางสารทุกขสุขดิบถ้าเขาทุกข์ยากเดือนร้องก็ช่วยเหลือเข้าไปถ้าเราโกรธเขาแล้วก็ต้องให้อภัยเขา อนนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทั่งฮะเชิญผู้ได้เลยจ๊ะ Hi uh we we are from China and Can you speak louder closer to the microphone Okay uh we are from China and uh this I'm translating for my friend, and this this question is uh, for for him, and his uh, question. Sorry, I'm a bit nervous. Um, His question is: He's very fast to react to to the sounds. His study is not quick enough to to catch whatever he hear. Uh, for example, if he listen to the music, a beautiful music, his uh, his mind will im immerse in the music for for quite a while before he realize he already lose study. And if he he he hear somebody like. Curse on him, and he will react to be very angry right away. And his sati is uh, not fast uh, enough to to catch, not uh, be mad. That's uh, his question. He has to practice more sati, mm -hmm. practice more mindfulness. He has very little mindfulness, so he has to practice more. He has to do it from the time he gets up in the morning. As soon as he gets up, he can start reciting buto buto buto. This is the way to develop more mindfulness of sati. And if he continues to do this throughout the day, then his mindfulness will be strong and will be quicker. So any time when the mind start s to go after something, he can have his mindfulness of sati to stop it. Okay, thank you. I will tell him later. Thank you so much. Thank you. คำถามสักทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะหลังจากที่เราตายไปแล้วเมื่อเป็นวิญญาณจะมีความจำได้ไหมคะว่าเราเกิดเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องกันและจะจำได้ไหมว่าชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้บางคนมีความจำดีเกิดมาก็ยังระลึกชาติได้ว่าชาติที่ก่อนเป็นอะไรเกิดที่อยู่ที่ตรงไหน บางคนก็ความจำไม่ดีแม้แต่วันนี้เมื่อวานนี้กินอะไรยังจำไม่ได้เลยคนบางคนจำได้แล้มวมอานนี้กินอะไรบ้างค่ะคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะการภาวนาเบื้องต้นของการภาวนาต้องเริ่มจากอะไรคะเริ่มต้นด้วยสติฝึกสติไปก่อนพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับตื่นขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่ยเปื่อยแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะอยู่กับพุทโธเพื่อสงบได้หมดแล้วเหรอค่ะตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะ Any more question? Okay โอเค่่้อยางนั้นเอาเทนี่ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาธุ